แต่และมือลงพอกับมีไปชุ่มขึ้นกันได้มือวาดกัไปไปชุ่มผ้าแดงเมื่อนี้กัน น, นัดไปชุมอีกไปชุมสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนมาในสถานีวิทยุเรียบร้อยละบานนี่โทรทัศน์บานผู้ใดเปิดเบืองหน้าโทรทัศน์ของหลวงตาหลวงตาเทศมัดมือมัอดขึ้นขึ้น แต่ว่าต้องถามไปสถานีเขามีเบอร์โทรศัพท์อยู่ก็เดืฟั่งนั่นแหละโทษถามที่จูนเขาช่องใดมันมีเป็นช่องพิเศษของเพิินอยู่ย่บันตาดสถานีวิทยุโทรทัศน์แต่ออกมาโดน แ, แต่บัดนี้ทั้งรัฐบาลทั้งกทชเขาจะจัดให้เขาระเบียบบ้าง จัดกระเบียมให้มันถูกต้องเด็ของฝ่ายพราเนี่ยเเลยนีมม่นหลวงพ่อไปในาน้าของคณะกรรมาการที่แแล้วก็มูนิธิมูนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนหลวงพ่อเป็นเลขขาวมันเนี่ <c ười> คนยกให้เป็นเลขขาวนะไปเพื่อหาทุนให้สถานีวิทยุของหลวงตาแต่เรื่องวิทยุนั้น เรียบร้อยละตั้งกฎ ต, ตั้งเกณฑ์กันึ้นเรียบร้อยละมีคณะกรรมการมีประธานมีพนักงานธรหมดามันสิบคนบ่อยู่สถานีจ่ายเดือนนะแสนกว่าบาทแค่กันแหละเฉพาะจ่ายพนักงานจ่ายพนักงานกับจ่ายค่าน้ำค่าไฟแสนกว่าบาทบ่นับค่าเช่าวิทยุโทรทัศน์ ค่านับค่าเช่าไปพร้อมนะ่ะปีหนึงปีละหกล้านค่าเช่าวิทยุก็ช่องวิทยุกับโทรทัศน์เนีไทยคมคู่เหมือนมันไทยคมหาบอตะก่อนไทยคมสองผ่านไปป่านี้เปลี่ยนเป็นไทยคมห้าเลยแนตะ่หลวงพ่อจำบ๊อบพิษนะแต่หลวงพอ่อก็เดยสนใจจุดนี้ขึ้นกนหากับเปลี่ยนสองเดือนที่ผ่านมาเนะี่ยบางคนก็นยังโบยว่ายกันเยู่ ก็้เปิดช่องเกาเปิดบ่อเห็นบาดเนี่สสถานีของลงตราดยุตระยะมันว่ามั่ยว่มันเทาตกข่าวบ่อตามจริงเขาประกาศแล้วประกาศอีกได้แหมเดี๋ยวนี้เขาจะเปลี่ยนช่องแล้วเดอ้อเขาจะเปลี่ยนช่องแล้วเดอ้เอแตถ้าว่าผู้ใดอยากมีปัญหาใครโทรมาก เ, เขาจะแนะนำวิธีการเปลี่ยนช่อง การในเฮ้าบอได้ติด ต, ตามข่าวเพ่อเขาเปลี่ยนช่องเลยพอเลยพลาเนละนี่เป็นหนึ่งสั่นละม้างเขาบอได้ปิดได้อให้โทษถามสถานีวิทยุบันตาเดอร์การโทถามแล้วเขาจะให้คําตอบเขาจะแนะนำํำสถานีวิทยุเสียงถ้ำของหลวงตาทั้งวิทยุพร้อมทั้งโทรทัศน์พร้อม ออกพร้อมๆกันนั่นแหละนหลวงพอบอกนะนี่แหละแต่ว่าทั้งกทออชอเขาก็ท้วงติงมาว่าสถาณิวิทยุของหลวงตาเนี่ยมีแต่แต่ออกเสียงธรรมะมีเสียงหล่อล่ำาทําเพ่งมีเสียงประชาชมพันมีเสียงข่าว แต่ว่าข่าวบานเมืองออกอยตอนเจ็ดโมงกับหนึ่งท่มถ อ, ออกอยู่ข่าวแห่งประเทศไทยออกแต่ว่าข่าวทองทิ้งเนี่บออออกก่อนไปเขาก็ททวงติ่งมากหลวงพ่อก็บอกไปคือกันว่าบอกผ่านคณะกรรมการของฝ่ายบริหารไปว่าน่าจะมีสถานีหนึ่งในประเทศ คือเสียงธรรมเท่านั้นเพราะเสียงทางอื่นนะ่ยประมาณเจ็ดพันหกันกว่าเกือบเจ็ดันสถานีนทั่วประเทศเนะ่ยเกือบเจ็ดันสถานีเลยมีทั้งเสียงร้องรําทําเพลงเสียงอะไรทั้งหมดแต่ของหลวงตานี่เดี๋ยวนี้มีอยู่ร้อสเจดสถานีรอยสิบเจสถานีเนะี่ยมีแต่เสียงธรรมอย่างเสียงสถานีของหลวงพอนะ่อเปิดดูได้นี่เกิดได้ยิน เสียงลงตาเทศบอกเสียงกิจกรรมทางศาสนาบางทีก็หลวงปู่ลงตาออกมาแสดงธรรมที่ท่านหลวงรับดับขันไปแล้วแต่เสียงของท่านยังอยู่อัดเสียงท่านเอาไว้อย่างหลวงปู่ล่าเนี่ยท่านมรณาภาพไปสิบกว่าปีแล่อย่างหลวงปู่ชิมอย่าหลวงพ่อพุทธเนี่ยหลวงปูส่สิงทองตกเครื่องปินตั้งแต่ปีสองสามเสียงท่านก็ยังเจ๋วอยู่ยงั้นแะฮะ ออกมาในสถานีเพราะนั้นผู้ใดสนใจเรื่องธรรมะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆที่ท่านปฏิบัติเป็นศรรีลเป็นธรรมอย่างไรเราเปิดฟังได้ในสถานีแต่ถ้าว่าคนเราเนี่ยถ้าใจยังมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาอยู่ก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องธรรมะเท่าไหร่กว่าถ้าคนมีทุกข์ในใจเท่านั้นะหจึงหันเข้าหาสู่ธรรมะ แต่บางทีก็หันไม่ทันอีกเหมือนกันอนะ่ะเพราะเหตุไรเพราะมันมันกลับลําไม่ทันเหมือนกัน น, ะนี่แหละแต่จริงน่าจะมีสถานีหนึ่งในประเทศในเกือบเจ็ดพันสถานีนั้นเปิดเวลาไหนให้ได้ฟังเสียงธรรมะผู้ที่ฟังธรรมะก็มีอยู่ผู้ไม่อยากฟังก็ไม่ว่ากันลนะมันก็ต้องมีหลายคู่หลายคนแต่ไม่ใช่ว่า ไม่อยากจะฟังทุกคนก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เราก็สืบสอบถามดูอยู่ว่าเป็นไงสถานีที่เปิดฟังนั้นได้ฟังมาโอ้ยฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูงอายุไฝ่ธรรมะเนี่ยเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเขาจะล็อกไว้ในสถานีนั้นเลยเหน่านล็อกเลยล็อกสถานีของหลวงตาไว้เลยเขาจะไม่ฟังสถานีอื่นฟังสถานีอื่นก็ฟังมาพอแรงแนละ้ว มีแต่ล่องลําทำเปเออเองเอ อ, อเ อ, อ, เ อ, อโอรนอโ อ, โ อ, อะนอเมืเอม่อเมีแค่นั้นไอันนี้ฟังธรร ม, มะเนี่ยเป็นแนวความคิดชีวิตประจำวันของเราควรทำอย่างไรอนาคตของเราควรจะวางแผนอย่างไรชีวิตของเราเมื่อถึงจุดจบแล้วจะไปที่ไหนอันนี้ก็คือแนวธรร ม, มะนี่คือเป็นเป็นเครื่องชี้นาของชีวิตนะเพราะนั้น ต้องฟังต้องศึกษาเรื่องธรรมะนต้องศึกษาและศึกษาไม่ใช่ศึกษาแบบประเดียวประดานะฟังแบบลอยๆไปแล้วกระจบไม่ใช่ฟังแล้วก็ไข้ควรทบทวนไตรตรองว่าเนี่ยที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเนี่ยมีเหตุมีผลอย่างไรเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอย่างที่ท่านพนะูดนี่อันนี้เราก็ การกรองไต่ตรองจากนั้นก็ท่านว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้นะเอสมารถต้องปฏิบัติตนอย่างนี้นะเราก็ปฏิบัติตามในเมื่อปฏิบัติตามนย น, นั่นแหละพอรู้เห็นในการปฏิบัติเท่านั้นแหละมันดื่มดําไปเองเท่านี้แค่วันลึกซึ้งไปเองดื่มดําไปเองสนใจไปเองเท่นี้เพราะเหตุไรเพราะว่าเราเห็นคุณค่านะแต่ใหม่ๆก็อย่างที่ว่านะั่ะเหมือนกับ ให้เด็กไปเรียนหนังสืออย่างนั้น เ, เด็กน้อยมากที่อยากจะไปเรียนหนังสือเองเกิดมาแล้วอยากจะไปเรียนหนังสือเองน้อยมากโดยมากพี่บังน้องบังชวนไปอพอไปแล้วก็ไม่อยากจะไปอีกต่างหากบางคนก็ไม่อยากยากนินี้ไม่ออกจากพ่อแม่ต่างหากพ่อให้ไปเรียนหนังสือโอ้โหร้ อ, องห่มร้องให้มั่นใจจะขาดเด็กบางคนนะ เอแต่พ่อแม่จะทํำยังไงได้จะว่าบังคับก็ใช่จะว่าขอร้องก่อใจจะว่าผลักดันไปก่อใจเพราะงั้นเด็จะทํำยังไงอยากจะให้ลูกตัวเองเรียนหนังสือถ้าไม่เรียนหนังสือได้เป็นยังไงอถ้าใหญ่ขึ้นมาก็ต้องโง่เงาเต่าตุตนจิตอ่านหนังสือไม่ออกเป็นยังไงเป็นภาระของพ่อแม่พอลูกตัวเองโง่ใครๆก็อยากจะให้ลูกตัวเองฉลาดกันก็ต้องผลักดัน่ะ อเพื่อเรียนหนังสือเนี่ยแต่พ่อเด็กอไปเรียนหนังสือติดหนังสือแล้วแะ่เนีพอติดหมู่ติดเพื่อนติดในการเรียนเนีอยพ่อแม่ขอร้องโอ้ลูกเห้วันนี้อพ่อแม่ไม่อยู่บ้านให้ดูแลน้องหน่อยนะเดี๋ยวพ่อแม่จะไปธุระสักหน่อยโอ้โหหน้าบูดหน้างออะไรตัวนี้เด็กเพราะเหตุหอะไรเพราะมันติดในการเรียนกลัวจะไม่ทันเขาแต่เนี่ย นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันในภาคปฏิบัติของพวกเราก็เหมือนกันไม่ไม่เนี่ยพวกเราจะเหมือนจูงหมาใส่ฝนตรงั้นแหละเวลาจะให้นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์แต่พอเราทําเป็นอาจินทําเป็นประจําทุกวีทุกวันอจากนั้นถ้าไม่ได้ไหวพระสักวันหนึ่งมันก็มันขาดนะมันขาดให้เข้า่าบกพร่องในตัวของเราจากนั้น ผู้ที่ติดภาวนาเนี่ยพอนั่งภาวนาจิตใจเคยสงบมาแล้วเนี่ยนั่นแหละมันขยันเองพอได้เวลาปั๊บมันจะรู้จักวิธีเข้าสู่ความสงบเข้านั่งภาวนาหาความสงบรู้จักที่หลบที่หลีกที่เล่นยิ่งจิตใจของเราได้รับการกระทบกระเทือนไม่ไว้ใจในชีวิตของพวกเราจดดวยแล้วน่ะเรายิ่ง ไม่ไว้ใจเรายิ่งหาทางออกยิ่งตั้งอกตั้งใจแ ส, สวงหายิ่งศึกษาแบบนั้นะยิ่งทำจิตใจให้สงบนี่แหละถ้าวัาผู้ที่รู้คุณค่าแล้วนะจะไม่เพิดเพลินในเสียงร้องรำทำเพลงควดชนะประชาจมพันต่างๆฟังกับฟังไปอย่างนั้นแนะ่ะะพอเราอยู่ในโลกไม่ฟังเขาก็ไม่ได้ต้องฟังฟังไปบ้าง แต่จะฟังให้เป็นชีวิตจิตใจจริงๆเป็นฟังเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆฟังเข้าสู่จิตใจจริงๆมันฟังไปแล้วมันมีแต่ความร้อนะฟังไปเท่าไหร่ก็ยิงร้อนร้อนร้อนร้อนเข้าไปในนั้นทา้งหนไม่เหมือนฟังธรรมะนะฟังธรรมะพอฟังเข้าไปเท่าไหร่เย็นสบายเย็นเย็นเย็นเป็นแนวความคิดนะมันเย็นลึกๆฟังธรรมะนะเพราะฉะนั้นให้พวกเราสังเกตดูนะให้ฟังให้ศึกษาเรื่องธรรมะ ไม่ใช่ว่าปุกปรับมาจะรู้เยเลยเด็กนักเรียนเด็กลูกหลานของเราเกิดมาละอ่านออกเขียนได้มาเลยเนะี่ยเขาก็วันเด็กอัจฉริยะนะนะก็คงไม่มีหาได้ยากอยู่เหมือนกันนะต้องได้รับการแนะนำสั่งสอนนี่ก็เหมือนกันนะธรรมะเป็นของละเอียดลึกซึ้งมากนะพวกเราก็ควรจะศึกษาแต่ละวีแต่ละวันมีช่องทางที่จะได้ศึกษาฟัง MP สาบงฟังเทศ ของครบูบาอาจารย์บั่งหนังสือบั่งสถานีวิทยุของหลวงตานี่ยนะนี่เราเปิดไว้ทั้งวีทั้งวันเลยถ้าใครอยากจะฟังเวลาไหนก็เปิดพอไม่ฟังแลก็ปิดเอาไว้ถ้าอยากฟังก็เปิด น, ะนี่เราเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกหนึ่งของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าจะมีแต่เสียงร้องรําทําเพลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งวีทั้งวันทั้ง 6 7เจ็พันสถานีวิทยุนะไม่มีทางเลือกเลยก็ไม่น่าจะถูกหลวงพ่อว่านะเนี่ยหลวงพ่อให้เหตุผลให้ไปพูดกับกทอชอด้วอนะไม่ใช่ว่ามีอะไรไม่แต่จะร้องรำทำเพลงตลอดก็น่าจะมีเสียงท ร, รมะกูบาอาจารย์บ้างในละวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะ หมอทางกรุงเทพก็ขึ้นมาจะมาพบกับหลวงพ่อตอนสิบเอ็ดโมองอ่ะที่หลวงพ่อไปเป็นตัวเชื่อมเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์นะที่เครื่องพาตัดหัวใจเดี๋ยวนี้เมืองอุดรของเรายังไม่มีนะเครื่องพ่าตัดหัวใจนะรวบรวมกันได้เครื่องมือผ่าตัดหัวใจบายพาสมันงั้น เหมือนกับเราเข้าเมืองอุดรมาแรงมันติดอย่างเนี้ยเราก็เลยมาเลี่ยงเมืองอุดรเหมือนกันอ่ะยังค่อยเข้าหาเมืองอุดรตรงไหนที่มันพอจะเข้าได้อันนี้ก็เหมือนกันนะมันตรงเข้าไปนะมันไม่ได้เช่นเลือดอุดในหัวใจไขมันมันอุดมันหายใจไม่อิ่มแต่เนี่ยเพราะลูกสูบมันติดเหือนน่ะในหัวใจของเรามันมีสีลูกสูบเย สีช่องลูกสูบเพะงัน้นในหัวใจของเราสูบสีเลือดเขาเรียกว่าช่องหัวใจลิ้นหัวใจแต่เนี้มันมันเลือดไปเลี้ยงไม่พอเลยเขาต้องบายพาสนี่แหละมีหมอมาจากจุฬาเข้ามาแล้วไม่มีเครื่องมือมาพอมาถึงเมืองอุดอรมาถึงโรงพยาบาลศูนย์แล้ไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือเขาก็อยู่ไม่ได้เขาจะต้องย้ายไปที่อื่นนี่หมอโรงพยาบาล อุดรก็แล้ว่าโอ้จะเอาอยัางไงเอียเขามาหาหลวงพอ่อหลวงพอ่อืมราคาแพงเท่าไหร่ะฟังฟังดูก็ไม่แพงประมาณล้านห้าอืมน่าจะได้น่าล้านห้าก็เลยไปไประชุมกันเมื่อวันที่ยี่สิบที่ผ่านมานะยี่สิบสิงหาเนะ่ยที่ตึกสัญญาคารอุตราธรตึกสมเด็จพระสังฆราชถ้าครไปโรมจุฬาฯจะเห็นพระสังฆราชกําลังเดินอยู่นั่นนะตรงระดับที่ประชุมจากนั้นก็เลย เรียกเชิญขบ้บดีเมืองอุดรมาหลายหลายคนประมาณสักยี่สิบคนคงจะได้มั่งวันนะยี่สิบไปสามสิบคนเนะี่ยหลวงพ่อดูดูแล้วก็เอาลงขันกัน่ะพอลงคันกันกันได้เครื่องเนี่ยเครื่องเลยพาตัดหัวใจเนะ่ยหลวงพ่อเลยต่อรองเขาอีกโอ้มันแพงเกินไปมั่งเอีเชียวเอ้ยว่ะลดลงอีกได้ไหมวะเขาก็เลยลดลงให้อีกแสนหนึ่งวงั้นเป็นหนึ่งล้านสี่ หมอเขาบอกว่าจะต้องมีเครื่องท่างใด้หลวงพอ่พอพอผ่ากระดูกหน้าอกแล้วก็ต้องมีเครื่องท่างออกถ้าจําเป็นก็ต้องเอาละวะําทำง่ายะแล้วเครื่องช่วยหายใจเลยหลวงพอนะ่อเป็นยังไงเครื่องช่วยหายใจมันไม่ใช่อยู่ในห้องไอซูไม่ใช่มีอยู่แล้วเครื่องช่วยหายใจเคยซื้อมาให้หลายครั้งไม่ใช่ตัวนี้สําหรับผ่าตัดแล้วคนสลบเฉลายอยู่ ในห้องไอซียูนะก่อนมันไม่มีอย่อยางนั้นแต่ก็มีนั่งรถเขตมากับมีคนหนึ่งก็มีเหมือนกับลูกโป่งน่ะบีบบีบช่วยหายใจอย่างนั้นเลยกว่าจะไปถึงเตียงถาวรนอยงั้นเตียงห้อง IC ซียูย่ากนั้นกับออกเครื่อ ง, องช่วยหายใจเข้าไปแต่ถ้ามีเครื่องตัวนี้โดยอัตโนมัติเนยราก็เสียบเข้าไปเลยเครื่องตัวนี้ก็ทํางานพอทํางานก็ไม่ต้องใช้คนบีบเพรางนั้น แไปถึงนึนกแต่ต้องถอดเครื่องเล็กนี่ออกเอาเครื่องใหญ่เข้าไปอืมจําเป็นไหมโอ้จําเป็นมากอยู่หลวงพอ่อถ้ามีถ้าได้ก็ดีถ้านได้จะได้สักสองเครื่องประสงค์เครื่องหลวงพ่อเอามีไหมวะเชียวันรีบออกมาแล้วนั้นแถอะเชียวอยู่แถวนั้นมันมีเลยจะจะขายเครื่องมือเป็นตัวแทนเมืองนันเท่าไรวะตัวละหกแสนครับวะโอ้ตัวเล็กๆนึ่ หลวงพ่อเห็นรถปิกอัพเนีคันหนึ่งหกแสนมันใหญ่กว่านี้นะอันนี้มันคืบกว่ากว่านี่ทำไมไม่หกแสนมันแพงเกินไปมั่งเนี่ยวันเอ้าเอาสองเครื่องเครื่องละสามแสนก็แล้วกันไปเอาไหมครับเดี๋ยวผมไปปรึกษาบริษัทก่อนเขาก็เลยไปสักพักใหญ่เนี่ยโกงเดี๋ยไปโทรศัพท์มั่งผลที่สุดกลับมาเอา้าสามแสนกับสามแสน พ, พ, พ, พลล่ะหลวงพ่อต่อทีเดียวได้ทีทละหกแสนอะไรเงี้ยไง ถ้าจะเอาสองเครื่องมันเป็นล้านสองใช่ไหมเครื่องละหกแสนใช่ไหมอันนี้หลวงพ่อต่อรองอ่ะขอเอาเอเครื่องละสามแสนมาเขาก็ให้สามแสนวันั้นสามแสนเนยสองเครื่องก็หกแสนเนี่ยในวันนั้นก็เลยได้สองเครื่องเครื่องช่วยหายใจสองเครื่องหกแสนเครื่องทางหัวใจเครื่องทางหน้าอกเนี่ยห้าแสนห้าเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ ล้านสี่แสนเนื้อสามตัวไปว่าสองล้านกว่าแต่หลงพ่อจะซักข่ยื่นไปใส่อีกตัวหนึ่งมาเลยหมอก็ต้องการก็คือปอดหัวใจเทียมเขาจะนอมาสองตัวคือเครื่องพาตัดหัวใจและปอดหัวใจเทียมแต่เครื่องทางหัวใจกับเครื่องช่วยหายใจมันของแถมอ่างั้นจุดประสงค์คือต้องการก็คือเครื่องบายพาร์ตพาตัดหัวใจกับปอดหัวใจเทียมะ เราก็ถามว่าปอดหัวใจเทียมมันคืออะไรเขาบอกเวลาผ่าตัดผ่าตัดหัวใจเนี่ยพอผ่าตัดเข้าไปแล้วกําลังทําบาบพาธหัวใจมันจะหยุดเต้นน่ยพอมันจะหยุดเต้นเนี่ ย, ย, เ, น เ, นยเขาจะต้องใช้เครื่องที่บอกหัวใจเทียมกับปอดเทียมอย่างเงี้ ย, เ, ย, เ, ยเสียบเข้าไปเพื่อให้มันหัวใจเทีย ม, หา ย, มนนยออหายใจแทนเหมือนกันเออหายใจแทนไอ้หัวใจกําลังผ่าตัดอยู่นั่ น, นอ่ะแล้วก็ต้องแก้ไขพอแก้ไขเสร็จแล้ว หัวใจจริงหายใจได้แล้วกันะะเขาก็ออกหัวใจเทียมออกกับหัวใจจริงมันก็ทํางานต่อไปบางทีเขาต้องออกหัวใจออกมาข้างนอกเลยอแล้วลจังค่อยผ่าแล้วก็เอาหัวใจเทียมใช้ไปก่อนเหมือนกันแล้วก็จังค่อยเอาหัวใจจริงเขาไปต่อใหม่แล้วก็นจึงค่อยเอาหัวใจเทียมออกไปนี่แหละตัวนี้เราคุณพ่อก็ถามว่าเอาถ้าไม่มีล่ะจําเป็นมากไหมแต่จาเป็นมากอยู่แต่ก็ไม่มากครับเพราะว่า ตัวนั้นเราทำบายพาสได้แต่ถ้ามาคนช็อกเราแท บ, บนี้หัวใจตันนี้มันหยุดจะทำไงก็ไม่มีทางอื่นแล้หลวงพ่อก็มีแต่ตายเท่นั้นหลวงพ่อได้ยินเลยก็โอ้เ้ี๋วข่าว่า ต, ตายยในภายใครก็ไม่อยากจะตายได้ไปทางไหนถึงขราวจริงๆแต่ทอนนี้พอมามาดูพวกกำลังที่จะซื้อท่นี่ที่มาไปชุมกันเนี่ย คนหนึ่งก็ห้าแสนคนนึ่นก็สองแสนคนหนึ่งก็ห0ึ่งแคนหนึ่นก็ห 0,000 000. รวมรวมกันแล้วมันก็ได้เงินขนาดเงิน 4, 000, 5, 000, ล้านสี่สล้านห้าแสล้านล้านสี่แสนห้าหมื่นบแต่ขนาดนี้ก็อมันลงขันก็ทั้งสองสามครั้งเหมือนนที น, นี้ถ้าจะเอาตัวนั้นอีกตัวนั้นสามล้านเนี่ยโอ้หมดกําลังไว้ว่ะไม่หมดกําลังไปไม่ไหวแล้วว่ะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนไปเอาขนาดนี้ก่อนวันนี้ไปเอาสามเครื่องก่อน พอได้สามเครื่องนะี่ยออก็พอใจแล้วล่ะก็เลยตกลงกันเอาสามเครื่องลขนาดนั้นหมอที่ผ่าตัดนะหมอ่ยท่านก็นมาขอบคุณแล้วขอบคุณอีกเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ซื้อเครื่องนี่คขนาดนั้นก็ยังมาขอบคุณแล้วเหงั้นกันพราะหลวงพอ่อหลวงพ่อเป็นประธานฝ่ายสงหาทุนเหมือนกันแอ่จากนั้นก็ออกมาเนี่ยแหละ ว, วันนี้แหละเขาจะขึ้นมาหาหลวงพอ่อก็คงจะมา ผู้แตก็คงจะมาเซ็นสัญญากันนะ่ะซื้อเครื่องสามตัวนะ่ะแต่ลุงพ่อยังคิดในใจนะว่าจะเอาเครื่องตัวนั้นมาให้อีกเครื่องตัวสามล้านนะ่ยแต่ลุงพ่อคิดว่าจะต่อรองอีกจากสองล้านห้าจะไม่ได้อยู่พ่อถ้าได้สักสองล้านห้าี่ยก็น่าจะลงขันกันเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่จําเป็นสําคัญเหมือนกันปอดหัวใจเทียมนะ่ยถ้าผ่าตัดไปแล้วถ้ามันช็อกไปหยุดไปจะทำไง มันก็อย่างน้อยก็มีเครื่องตัวนี้สำรองไว้อีกอยู่คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดของเมืองอุดรแต่เดี๋ยวนี้เมืองอุดรไม่มีเลยไม่มีเครื่องผ่าตัดหัวใจถ้าใครแน่นหน้าอกอนะไรกันเอายาไตาลิ้นให้กินจากนั้นก็ฉีดยาพอสงควรพอประทงังอะไรเ้าก็รีบส่งไปศูนย์สิริกิตขอนแก่นเลยเพราะงั้นะศูนย์หัวใจศิริกิตขอนแก่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็มีแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุด บางคนก็ไปถึงครึ่งทางตายก็มีไปถึงแล้วก็มันพอแรงแล้วตายก็มีเพราะนั้นทาว่าเป็นไปได้ถ้ามีหมอมีฝีมือมาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดอรนะหลวงพ่อว่าน่าจะดีแต่หมอคนนี้มา่างไงนเ่หลวงพ่อก็สืบสอบประวัตินะก่อนที่จะลงทุนให้นะไม่ใช่ว่า ม, มัวเมีอหลวงพ่อเงินมากเลย ไข่าคนนั้นไข่าคนนี้รบกวนคนนั้นคนนี้แล้วมาซื้อให้เขาไม่ใช่ลุงพ่อถามประวัติถี่ทวนเหมือนกันหมอคนนี้มาจากไหนมีฝีมือขนาดไหนจะอยู่กับพวกเรานานขนาดไหนลุงพ่อถามหมดไม่ใช่ไปซื้อเครื่องมือให้เสร็จแล้วหมอไม่มีแล้วก็เครื่องมือต่างหลายล้านเอามาเอาผ้าถุงเพืติดคุมไว้เฉยๆเนะี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะหมอมาจากไหนถาว่าหมอเป็นคนนครพนมอะหมอนครพนม แล้วก็เรียนจบแล้วก็ไปอยู่ที่จุลาเพราเะเป็นจุลาก็เป็นหมอหนึ่งในห้าของจุราแต่ก็แต่งงานกับหมอสกลนครหมอสกลนครหมอสกลนครหมอผู้หญิงนะมาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุรีรัแตนะ่หมอผู้ชายนะก็เลยอยากจะย้ายมาใกล้ครอบครัวนะอายุของท่านองจูหมอนะอาจารย์หมอนะประมาณทัก3าสกว่าหลวงพ่อวัน ก็มาสี่สิบกับสี่สิบต้นๆนะตัดย้ายมาอยู่อุบลก่อนอุบลเ็ามีเครื่องมือตัวนี้อยู่พอลองรับได้ตึงเครื่องทำใบพัดเนี่ยมาอยู่อุบลแต่นี้เขาเลยจะย้ายมาอุดร อ, อุดรไม่มีเครื่องเลยทางหมอทางอุดรเกาเลยถ้าเป็นไปได้ก็หมอคงจะอยู่ท้าววอนหมอก็ยังหนุ่มอยู่แล้วก็คนในถิ่นเราอีกต่างหากแล้วก็เป็นหมอมีฝีมือของ ประเทศอีกต่างหากหนึ่งในห้าของจุลาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ย่อยๆเหมือนกั น, นะที่จะได้หมอขนาดตีมาเขาก็เลยวิ่งมาหลวงพอ่พอเน่ะหลวงพ่อืหลวงพ่อก็รับลูกว่างั้นแหละ <ๆ S 2> ก็น่าจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือให้แก่พี่น้องประชาชนเข้าจําเป็นนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพอ่อก็เดยคิดช่วยเครื่องไม้เครื่องมือของโรงพยาบาลเนี่ะ หลวงพ่อก็บอกในที่ประชุมนะคณะจัตธาญาติโยมนะถึงหลวงพ่อจะเป็นประธานมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหาทุนให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดขอนแกน่นสี่นักครินหรือให้เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์อุดรไม่รู้กี่อย่างทั้งเตียงพยาบาลทั้งเครื่องช่วยหายใจทั้งเครื่องผ่าตัดทั้งอะไรต่อไม่อะไรในโรงพยาบาลศูนย์อุดรและศูนย์ขอนแกน่นศูนย์ขอนแก่นด้วย เครื่องส่องกล้องหามาเลงอะไรมีมากมายหลายอย่างที่หลวงพ่อหาให้แต่ลูกหลานคิดว่าโอ้หลวงพ่ออินคงอยากจะมานอนโรงพยาบาลหลวงพ่ออินหาเครื่องไม้เครื่องมือให้หลวงพ่ออินคงอยากจะมานอนโรงพยาบาลมั่งลูกหลานหยุดคิดได้นะวะคิดใหม่ถ้าใครคิดอย่างนัให้คิดใหม่หลวงพ่อเองไม่เคยคิดเลยในหัวใจ จะมานอนโรงพยาบาลมีแต่นยตั้งใจว่าตั้งจิตอธิษฐานอีกต่างหากนะตั้งจิตอธิษฐานในใจเนะ้ออข้าพเจ้าได้ช่วยเครื่องมือแพทย์ยช่วยโรงพยาบาลช่วยคนเจ็บไข้ในป่วยช่วยครูบาอาจารย์ตึกสงอาพาธเครื่องไม้เครื่องมือจะเป็นเครื่องไหนก็ตามให้แก่โรงพยาบาลเขอให้ข้าพเจ้าจะได้เข้ามานอนโรงพยาบาลเนะน้อ ถ้าถึงคาวแล้วก็เหมดอายุไขแล้วให้ปอกไปเลยเฮ้อย่าได้มานอนโรงพยาบาลอย่าให้มีสายอะไรพลุงพลังในจมูกเสียบแขนเสียบขาเสียบคอเ อ, อเข้าไปในจมูกอะดูๆแลโอ้โหมันทุเรศทุลังจริงๆเนะแต่จะทํำยังไงไดนะ้หลักวิชาการเขาทําอย่างนั้นนะ อ, อหลวงพ่อนะไม่อยากจะเข้าเลยเอนะนะอยากจะให้ไปเลยทําหมดอายุไขแล้วเนะพราะเรานี่ คิดว่าเกิดมาแล้วต้องตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นละ่ะชีวิตของพวกเราเออก่อนที่จะตายเท่านั้นละ่ะให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อีกีหนึ่งอไปคิดทําความชั่วเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะเออเลือกไม่ได้อีกต่างหากออพอถึงวันนั้นมาอ่าเรามีเครื่องสเสบียงเดินทางของเราอุ่นใจหรือยัง เราได้เตรียมเงินเตรียมเงินใส่กระเป๋าของเราพอหรือยังเรามีอะไรบ้างที่เราจะเดินทางต่อไปภายภาคหน้าเราได้คิดไว้หรือยังนี่แหละอันนี้คือเดินทางภายภาคหน้าคนะือตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกให้สั่งสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาไว้พอพ้นจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดภพนาชาติหน้าเราก็จะได้ใช้กินบุญกินกุศลที่เราได้สั่งสมไว้ ในพบในชาตินี้แล้วก็เกิดชาติหน้าเราจะมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเพราะบุญกุศลเกื้อกูลหนุนแต่เราเราไม่ได้คิดอะไรเลยยมีแต่คิดเป็นวันๆอยู่เป็นวันๆกินเป็นวันๆพอตายไปแล้วเนี่เราไม่ได้เตรียมเสบียงเ ห, เหมือนกับคนจะเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้คิดเตรียมอะไรไปเลยกินเหล้าหัวลาน้ําพอที่สุดเขายื่นพสัสดุ์ใบเดินทางมาให้ วีซ่ามาให้คุณได้เวลากลับต่างประเทศแล้วนะกลับที่เก่าแล้วนะเพราะหมดอายุแล้วหมดอายุวีซ่าแล้วตายตัวเองไม่มีอะไรเลยจะทํทำยังไงอกลับไปก็ต้องตกทุกข์ได้ยากหน้าจอยงอยเงาแล้วกลับไปต่างประเทศเพราะอะไรเพราะไม่ได้เตรียมการเพราะฉะนั้นพวกเราเตรียมนะเตรียมการนะถึงวันนั้นแน่นอนไม่มีใครหลีกลี่หนีพ้นไปได้หลวงพ่อกําลังพูดนย่างนั้นหลวงพ่อก็เตรียมการเหมือนกัน เพราะนั้นหลวงพ่อเตรียมการนะก็อยากจะให้พวกคณะชาติญาติโฉมลูกหลานทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้เตรียมการเอาไว้ให้เตรียมตัวไว้ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้าตายแล้วศูนย์มันก็ไม่เห็นเสียหายที่ตรงไหนเราก็ทําคุณให้ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองก็ไม่เห็นเสียหายที่ตรงไหนถ้าตายแล้วเกิดนั่นอะไรสอถ้าเราไม่ได้ทำเอาไว้เน้นน่าเป็นห่วงเหมือนกันนี่น่าเป็นห่วง ถ้าเราตายแล้วเกิดเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะอันละพอในตัวนี้อนุโมทนาให้พร